ไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เลือกว่าจะผิดจะถูกจะเสียความยุติธรรมหรือไม่สุดแต่ให้พ้นความทุกข์ร้อนได้ก็แล้วกันแต่พอถึงคราวตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นฝ่ายเหนือผู้อื่นก็จะขมขู่หรือเหยียบคนอื่นอย่างปราศจากความราณี